ฟังคะ่ะพระเอิญว่าบีเองก็ไปเจอเพจเพจหนึ่งนะคะชื่อว่าเพจบูชาธรรมหลวงตาแตงอ่อนกันลยาณธรรมโมค่ะก็ขออนุญาตนำเรื่องของท่านมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องการปราบผีบ้านนาคอยอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมบันทึกโดยคุณปรีชาบุตรศรีนะคะ มีความว่าหลวงตาแตงอ่อนค่ะเมตตาเล่าให้ฟังว่าหลวงตาอยู่กับหลวงปู่ศรีลาอิสโรค่ะพอสมควรแล้วก็มีเนนสองรูปก็คือสมมเนรบุญธรรมแล้วก็สัมมเนรโฮมอายุน่าจะครบอุปสมบทบวชเป็นพระหลวงปู่ศรีลาอิสโรก็เลยได้มอบหมายให้หลวงตาเนี่ยพาเ น, นทั้งสองรูปไปบวชเป็นพระนะหรือว่าไปยติเป็นพระนี่แหละนะคะกับหลวงตาเก่ง อธิมุตตะโกวัดโพชัยบ้านสามผงอํเาเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมค่ะก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินทางไปด้วยก็มีหลวงตาเป็นหัวหน้าเนนสามรูปสมณเนนบุญธรรมสมเนนโฮมสมณเนน ส, เ น, นสงวนแล้วก็มีโยมอีกสามคนมีเท่าเกิร์กเท่าเทียมไตเท่าบุญสมศรัทธาบวชให้เนนบุญธรรมพอไปถึงวัดหลวงปู่เก่งอาิมุตตะโกนะคะท่านไม่อยู่ท่านไปทุดง ก็เลยออกจากบ้านสามผงพากันไปพักกับหลวงปุตตื้ออจลธรรมโมค่ะที่วัดป่าอรัญญาวิเวกบ้านขาตําบลบ้านขาอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมพักกับท่านหนึ่งคืนพอตอนเช้าค่ะก็ฉันข้าวเสร็จแล้วก็พากันเดินทางต่อไปที่วัดป่าสุทาวาสอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงบ้านนาว่านาคูลอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมจนถึงบ้านานาคอยอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนม ก็มืดค่าแล้วค่ะพอดีว่าตรงนั้นมันเป็นโพลโพนก็คือจอมปลูกขนาดใหญ่นี่แหละบริเวณนั้นมันมืดอึมครึมลักษณะเป็นป่าหนาต้นไม้ใหญ่หลายเพราะว่าเขาไม่กล้าตัดบริเวณนั้นเขาบอกว่าใครจะกล้าตัดได้ละ่ะต้นไม้ต้นเล็กเท่าคันธนูก็ตัดไม่ได้ผีแก่กล้าตรงนั้นหลวงตากับสมัมมเนรแล้วก็โยมผู้ติดตามเนี่ยก็เลยได้หาที่พัก วางของวางบาทวางเครื่องอัฐิบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หาที่จําวัดจำอ่าจําวัดก็คือเป็นการหาที่นอนนะคะตอนแรกหลวงตาก็หาทางเข้าไม่เจอเดินวนอยู่ 2- อสารอบเอาไม่เห็นทางเข้าพอรอบที่3ถึงได้เจอทางเข้าที่จริงมันมีต้นแคนแล้วก็ต้นพยอมใหญ่อยู่ตรงจอมปลวกใหญ่แล้วก็มีที่ตั้งศาลอยู่มีเขียงทําลาบมีเตาไฟ หลวงตาก็พิจารณาว่าโอ้ที่ตรงนี้สามารถที่จะบังลมได้หลวงตาดูเรียบร้อยแล้วก็เลยออกมาบอกสัมมเนนกับโยมผู้ติดตามไปด้วยว่าให้เอาของเข้ามาแล้วแล้วก็เข้าไปนอนตรงนั้น ยมตอบกลับมาบอกโอ๊ยผมไม่นอนด้วยนะจะไปหานอนข้างในหมู่บ้านนูน่นหลวงตาก็ให้เนนบุญธรรมกับเนนโฮมเนี่ยกวาดใบไม้ให้พอได้ปักกรดนอนก็บอกเนนบุญโฮมให้ผูกเชือกตรงนี้นะแล้วก็เอากลดไปเกาะก็คือไปแขวนนี่แหละนะคะหลวงตาเอาเชือกไปผูกไว้ตรงสารนั้น พอค่ําลงมาไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วใครๆก็เดินทางมาเมื่อยกันทั้งนั้นก็นอนหลับพักผ่อนกันค่ะหลวงตาก็เลยนั่งสมาธิจเจริญภาวนาไปพอนั่งสมาธิได้สักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนเดินมาเป็นจังหวะดังควับควับค ว, วับเดินตรงเลยมาทางทิศตะวันตกมาทางซุ้มศาลเจ้านั่นแหละค่ะพอมาถึงกดของหลวงตาก็จะเงียบก็และกเดินไปข้างหน้าก็ไม่ไปถอยหลังก็ไม่ได้ยินเสียงเงียบ เงียบหมดเลยหลวงตาคิดว่าอะไรก็เลยเอาไฟฉายมาส่องดูส่องไปก็ไม่มีอะไรเสียงก็เงียบเสียงนั้นคิดว่าจะเป็นเสียงคนเดินแน่ๆเลยหลวงตาบอกเหยียบบนใบตองรกๆเนี่ยมาเป็นเสียงดังควอบๆเหมือนป่าทั้งป่าจะเพิงออกนะคะเพิงนี่หมายถึงว่าป่าพังค่ะป่าพังป่าพินาศอะไรประมาณนี้แหละนะคะทีนี้เนี่ยหลวงตาก็เลยนั่งภาวนาต่อพอนั่งภาวนาเมื่อยแล้วก็คิดว่าจะพักผ่อนเองหลังลงนอนหลับไปละ มันมาไล่หลวงตาตัวใหญ่มากดํามากค่ะสูงใหญ่ชี้หน้าหลวงตาให้หลวงตาหนีว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าหลวงตาไม่หนีเราก็เลยตอบไปทันทีว่าหลวงตาไม่หนีละ่ะเพราะว่าอยู่รุกขมูลที่ไหนมันมีป่ารกชัดพระพุทธเจ้าท่านให้ทุดงกรรมฐานท่านให้อยู่รุกขมูลอยู่ในเสนาสนะป่าป่าไม้สดชื่นจิตไม่ฟุ่งซ่านนี่แหละสิทธิ์ของพระตถาคต ดูมันโกรธอย่างใหญ่เลยหลวงตาบอกหลวงตาได้คันธนูหน้าอีเก้งค่ะดึงลูกศรออกมาแล้วก็ยิงไปแทงเข้าตรงหน้าอกมันพอโดนหน้าอกมันล้มลงหลวงตาก็ขึ้นไปเหยียบบนบาไหลาแต่ว่าหลวงตาในมือของท่านเนี่ยก็มีการถือดาบด้วยนะซึ่งหลวงตาบอกว่าไม่รู้นะคว่าไปได้ดาบมาจากไหนซึ่งพอเหยียบเสร็จก็เหวี่ยงดาบตัดท้องมันขาดปุ๊บเลย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยทำให้ผีนี่กลัวหลวงตาไม่สู้แล้วเป็นพญาผีผีไปทางไหนก็ไม่มีผีกล้าต่อสู้กับหลวงตาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะไปตัดผีจนตายเนาะผีหลวงตาตัดเป็นผู้ชายนะคะรูปร่างสูงใหญ่ ตอนเช้ายังไม่สว่างเน้นมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยผีดุร้ายขนาดมาบีบคอจนเป็นรอยหลวงตาก็เลยหวลัวเราะบีบคอพวกเขาแล้วค่อยมาหาหลวงตาพอมาหาหลวงตายิงธนูใส่มันแล้วได้ดาบมาจากไหนไม่รู้ตัดท้องขาดปุ๊บเลยตายผีไม่มีดาบที่ตัดก็คือไตราสรารณคมนี้แหละค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐพอตอนเช้ามามีญาติยมมาจังหันก็เลยพูดไปว่าไม่อยากได้เหรอพริกจอมปลวกใหญ่นี้ถางย่าก็ปลูกพริกนี้รับรองเป็นหมากเป็น ก็คือได้ลูกดกได้ผลดีประมาณนี้ยมเลยตอบว่าโอ๊ยขนาดกิ่งไม้เท่าคันแฮ้วคันแฮวนี่คือคล้ายคายคันธนูหรือว่าพวกดักหนูอะไรอย่างนี้แหละนะคะจะตัดเนี่ยยังเอาไปไม่ได้เลยหลวงตาก็เลยตอบไปบอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วผีตัวนั้นหลวงตาฆ่ามันตายแล้ว แล้วก็หัวเราะค่ะพอฉันเข้าวเสร็จหลวงตากับสั ม, มเนรแล้วก็โยมก็พากันเดินทางไปทางบ้านชิงเครือขึ้นรถเข้าวัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร น, นะคะพอไปถึงวัดป่าสุทาวาสพระอุปชาท่านเจ้าคุณอุดมก็ไม่อยู่อีกพอดีพระอุปชาพุทธค่ะมางานก็เลยได้อุปชาพุทธบวชให้ หลวงตาเป็นพระผู้สวดเป็นผู้สวดนาคให้ทั้งสององค์ไปบวชพระเสร็จก็พากันเดินทางกลับมารอขึ้นรถอยู่อำเภอพันณานิคมแล้วก็เดินมาตามทางกเกวียนถึงวัดป่าอิสระธรรมบ้านว่าใหญ่นะคะอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครค่ะเป็นฤดูหนาวมาถึงมืดค่าประมาณ11อประมาณเดือน11เดือนสิบสองมาถึงผู้เท่า ผู้เฒ่าก็คือหลวงปู่ศรีลาอิสโรพูดขึ้นว่าอุ้ยค่ำแล้วก็พากันนอนเสียก็ได้ยังพากันมายังไงดึกดื่นเที่ยงคืนมาถ้าค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นก่อนมันดึกมันดื่นเที่ยงคืนก็ยังพากันมามาแล้วหนาวสมัยก่อนก็ยังอาบน้ําได้แต่ทุกวันนี้อาบน้ําไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันตายหลวงตาพูดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของหลวงตาค่ะหลวงตาแตงอ่อนกัญยาณธรรมโมนะคะทีะ่ทางด้านของ คุณปรีชาบุตรสีนะคะได้เป็นผู้จดบันทึกที่หลวงตาแตงอ่อนเมตตาเล่าเรื่องนะคะที่ท่านได้ไปปราบผีเป็นผีที่อยู่บนจอมปลวกเนี่ยให้กับเราได้ฟังกันนะคะหลวงตาแตงอ่อนนะคะกัญญาณธรรมโมค่ะซึ่งท่านเป็นพระป่าลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานท่านได้ลาสังขารด้วยอาการสงบ ซึ่งสิริอายุ91ปี11เดือน23วันโดยมีชาวพุทธและก็บรรดาพระป่ากรรมฐานทั่วประเทศค่ะร่วมไว้อไัรแหกกระาบไหวบูชาขับข้างนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่วัดกัญยาณธรรมโมหรือว่าวัดป่าโชคไพศาลอยู่ที่บ้านหนองนาหารตำบล น, นาซออําเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนคร พระหลวงตาแตงอ่อนกัญาณธรรมโมพระวิปัสนาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสกลนครสิทธิผู้ใหญ่ของพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากรรมฐานหรือพระป่าท่านก็ได้เข้าสูา่ดินแดนอนุ ป, ปาทิเศ ส, สนิ พ, พานหรือว่าละสังขารเมื่อเวลา7นาิกนาทีนะคะสำหรับหลวงตาแตงอ่อนค่ะคุณผู้ฟัง มีนามเดิมว่าแตงอ่อนบุตรศรีซึ่งเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2465ตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน9ปีจอที่บ้านม่วงไขตําบลพันนาอ พ, าพันนานิคมจังวสกนลนครมีบิดาชื่อนายพันธุศรีมารดาชื่อนางมุ่ยบุตรศรีค่ะซึ่งต่อมาครอบครัวของท่านได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านหนองนาหาตนตําบลนาซออาวานนท์นิวาสนะคะแล้วก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒ การบรรพชาและอุปสมบทท่านได้อุปสมบทอ่าขออภัยค่ะท่านได้บรรพชาเป็นสั ม, มเณยเมื่อเดือนธันวาคมสอ8 4ที่วัดเสบุญเรืองตำบลวานนนิวาสค่ะโดยมีพระอาจารย์อินเป็นพระอุปชาและเมื่อเดือนธันวาคม2485ท่านก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุยติเป็นมหานิกายณนะพัทธสีมาวัดเสบุญเรืองจังหวัดสกนลนครโดยมีพระอาจารย์อินเป็นพระอุปชาและพระอธิการบัว เป็นพระกรร ม, มวาจาจารย์นะคะหลวงตาแตงอ่อนกัลยาณธรรมโมค่ะ ได้ยติเป็นธรรมยุทธนิกายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2489ที่พัทธสีมาวัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมมเจดีหรือว่าหลวงปู่จูมพันธุโลเป็นพระอุปชาและพระครูประสาทคณานุ ก, กิจเป็นพระกรรมวาจาได้รับฉายาว่ากัลยาณธรรมโมอันมีความหมายเป็นมงคลคะ่ะว่าผู้มีธรรมอันเจริญผู้มีธรรมอันงามซึ่ง ก็ตรงกับการปฏิบัติเนื่องจากท่านเป็นพระป่าที่มีจริยวัตที่งดงามและมีพระปฏิปทาทางงามทางที่ดีเนี่ยนะคะเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวไทยซึ่งหลวงตาแตงอ่อนเองนะคะท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตรงตามพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสังกัดคณะธรรมยุทธ โดยได้ไปศึกษาธรรมปฏิบัติมอบกายถวายชีวิตเป็นสิทธิพระบูรพา j a n ใหญ่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนานถึง 2, สองพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือตําบลนานายอําเภอพนานณานิคมจังหวัด น, ออนครอาตสาหกรจนกระทั่งหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้มรณภาพหลวงตาแดงอ่อนกันลยาณธรรมโมเป็นพระมหาเถระที่มีศีลาจารวัดอันงดงามเสมอต้นเสมอปลายสมควรเป็นทิฏฐานุคติอย่างยิ่งค่ะ ที่นี้มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่บีจะเล่าให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องของหลวงปู่ทองมาค่ะชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็พุทธศาสนิกชนต้องรู้จักท่านเป็นอย่างดีท่านมีเมตตาบารมีนะครับปราบผีค่ะโดยการจับมัดกับต้นมะม่วงเทศนาให้ผีฟังจนผีเนี่ยเลิกเกเรเลยนะคะหลวงปู่ทองมาถาวโร สมัยนั้นวัดป่ า, าธาตุอุปมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพอสิ้นหลวงปู่สิงห์ทองก็ได้มีหลวงปู่ทองมามาจําพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นเวลาเกือบ10ปีอะ่ะก่อนที่ท่านจะย้ายไปจําพรรษาอยู่ที่วัดสว่างท่าสีหลวงปู่สิงห์ทองผู้เป็นครูก็ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้หลวงปู่ทองมาถาวโรในหลายๆด้านเมื่อหลวงปู่ทองมาจําพรรษาท่านก็ได้บูรณะพระาธาตุอุปมงค จนเสร็จนะคะแล้วก็เทศนาสั่งสอนชาวบ้านให้อยู่ในศีลกินในธรรมแล้วก็ได้ปลดวิญญาณร้ายที่มารบกวนชาวบ้านจนเป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านในแคล้วนั้นนะคะเรื่องเล่ามีอยู่ค่ะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะวิญญาณร้ายเนี่ยเที่ยวมารบกวนหลอกหลอนชาวบ้านจนชาวบ้านนี่หวาดกลัว าวาชาวบ้านบางคนเนะี่ยไม่กล้าออกนอกบ้านตอนกลางค่ำกลางคืนค่ะโดยไม่เกรงกลัวต่อพระธรรมและหลวงปู่ทองเลยแม้แต่นิดเดียวหลวงปู่ทองมาเองท่านก็ต้องกำราบบ้างให้เข็ดลาบคืนวันหนึ่งค่ะหลวงปู่ได้เรียกวิญญาณร้ายตนนั้น มาผูกติดกับต้นมะม่วงหน้าวัดเพราะว่าวิญ ญ, ญาณตัวนี้นิเฮียนนักเกเระพูดดีๆไม่เชื่อฟังมีแต่จะหลบหนีและคอยก่อกวนชาวบ้านให้หวาดกลัวหลวงปู่ก็เลยจําเป็นต้องมัดวิญญาณต้นนี้ไว้กับต้นมะม่วงด้วยด้ายสายสินแล้วก็ให้ผีตนนี้เนี่ยดื่มน้ําสาบานตนว่าต่อไปนี้จะเลิกรบกวนก่อกวนชาวบ้านให้หวาดกลัวอีกต่อไปพร้อมทั้งเทศนาให้ผีตนนี้ได้รู้ถึงบาปกรรมต่างๆที่เขาได้กระทํามาตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ พอเสร็จพิธีค่ะหลวงปู่ก็ปล่อยวิญญาณร้ายตนนี้ไปโดยประสบการณ์กับต้นมะม่วงผีต้นนี้มีอยู่นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยมีญาติโยมคนนึงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมยังเด็กประมาณ7ขวบได้เข้าไปไปเข้ากรรมก็คือปฏิบัติธรรมที่เข้มงวดที่วัดพระธาตุอุปมงคลกับยายพอเข้ากรรมเสร็จแม่มารับผมกับยายประมาณตีห้าพอออกมาถึงทางเข้าวัดที่มีต้นมะม่วงใหญ่ ต้นมะม่วงมันสั่นผมดูแล้วไม่น่ามีใครมาสั่นเพราะมันดึกแล้วแม้แต่ลมพัดก็ยังไม่มียายก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆว่าต้องไปส่งรอกรู้แล้วตอนนั้นผมก็ยังคิดอยู่ว่าไม่เห็นมีใครมาส่งสักคนยายพูดกับใครก็ไม่รู้แต่ผมก็ยังเด็กอยู่ก็เลยไม่ค่อยสนใจถึงยังไงก็ตามเรื่องราวของพระาธาตุอุปมงคลหลวงปู่สิงห์ทองและก็หลวงปู่ทองมาก็ยังคงเป็นเรื่องจริงของญาติโยมชาวบ้านที่นั่นนะคะตราบจนทุกวันนี้ และก็ยังคงอยู่ในความศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านไปตลอดการค่ะขอบคุณการเรียบเรียงเรื่องโดยคุณอนันตพงษ์ชาญอภรรด้วยเป็นเรื่องของหลวงปู่ทองมาถาวโรที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบไม่ได้มีอยู่เพียงแค่หลวงปู่2รูปเท่านั้นนะคะยังมีอีกมากมายหลากหลายค่ะในประเทศไทยของเรา ซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่นับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเราก็จะรู้นะคะว่ามาีพระสงฆ์รูปไหนบ้างนะคะมีอีกรูปนึงค่ะที่บีจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของหลวงปู่กาหลงค่ะอันนี้มาจากแดนไกลเลยมาจัดการค่ะปอบปอบตัวครูเพราะว่าเล่นคุณไสยผิดทางหาคนปราบยากก็เลยต้องนิมนต์หลวงปู่เนี่ยมาปราบนะคะ จากข่าวคราวของผีปอบที่ออกมาจากสื่อต่างๆถึงการทำพิธีจับปอบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลห น, นองสวงอำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินค่ะซึ่งจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยเคยมีเกจิอาจารย์หลายท่านเคยเล่าหรือบอกถึงวิธีการปราบผีปอบมาบ้างเหมือนกันนะโดยกล่าวว่าปอบนี่เป็นผีชนิดหนึ่งที่เกิดจากคนเล่นคุณใสมลดาแล้วก็เข้าตัวโดนครูบาอาจารย์สาบแช่ง จากคนธรรมดาธรรมดาก็เลยกลายเป็นปอบค่ะเที่ยวเข้าสิงชาวบ้านกินของสดของทาวในตามชนบทไกลๆนั้นบางครั้งปอบมันก็จะเข้าไปกินวัวกินควายทาให้ควายทั้งตัวนี่ล้มทั้งยืนแล้วก็ขาดใจตายได้อย่างไม่น่าเชื่อนอกจากจะกินควายแล้วปอบก็ยังกินหมูดิบกินไก่ตัวเป็นๆแล้วก็ยังกินขนด้วยค่ะเล่าว่าบางครั้งในร่างกายของคนเพียงคนเดียว มีปอบมาเข้าสิงสู่เพื่อกินตับไตไส้พุงถึง7ตัวเลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสําหรับคนต่างจังหวัดนะคะหลวงปู่กาหลงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตออนอกจากท่านจะเก่งเรื่องการสักยันหนังเหนียวแล้วก็การทําเครื่องรางของขลังแล้วเรื่องการปราบปอบค่ะ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ท่านเก่งมากจนไปที่ขึ้นชื่อลือชาสําหรับคนแถบปราจีนบุรีและก็จังหวัดสะแก้วโดยเรื่องนี้นะคะผู้ที่เขียนหนังสือเขี้ยวแก้วประกาศสิทธิฤทธิ์หลวงปู่กาหลงท่านก็ได้ฟังมาจากสิทธิของหลวงปู่เนี่ยนะคะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้เนี่ยเวลามีคนโดนผีปอบเข้าก็จะลากตัวมาที่วัดเมื่อผีปอบมาเข้าในเขตวัดจะแสดงอาการกลัวเกรงบารมีของหลวงปู่ทันทีตามปกติหลวงปู่ใช้น้ำมน ไล่มันก็ไปแล้วแต่ว่ามีบางครั้งนะที่ผีมันมีฤทธิ์ไม่ออกด้วยน้ำมนต์ท่านก็จะไล่ด้วยมีดหมอแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่น่าสนใจเลยแหละคะ่ะ ท่านจะมีกระบอกไม่ไผ่อันนึงอุดไว้ที่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้าหลวงปู่จะทําการเคาะไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสิ้นสุดลงที่ปลายหัวแม่โป้งนิ้วเท้านี่แหละท่านว่าดวงวิญญาณของปอบมันจะเข้าไปในกระบอกไม่ไผ่ที่หลวงปู่ท่านเสกเอาไว้จากนั้นท่านก็จะนําเอพ า, ายันมาอุดไว้ที่ปากกระบอกก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะใครที่เคยไปวัดเขาแหลมก็คงจะได้เห็นกระบอกไม่ไผ่ผีนี่บ้างะนะคะสอบถามจากหลวงปู่ท่านบอกว่า กระบอกไม้ไผ่ที่มีปอบอยู่ข้างในเนี่ยจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังว่าผีปอบบางตัวนะที่ละทิฐิมันก็ไปเกิดตามวาระของมันก็มีบางตัวมันไม่ยอมละทิฐิเดิมท่านก็เก็บเอาไว้บางครั้งก็ฝังดินเอาไว้กับแม่ฝากไว้กับแม่ธรณีและบางครั้งท่านก็เผาส่งเพื่อให้ไปผุดไปเกิดตามสมควรแห่งกรรมที่มันได้กระทํามา หลวงปู่กาหลงท่านเคยเล่านะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยไปปราบผีปอบตัวครูเลยแหะอยู่เขตเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมันชื่อว่าเขียวปอบตัวนี้เก่งมากเป็นปอบพันปีมีปอบตัวนี้แหละที่มันเกิดจากคนเล่นวิชาไสยศาสตร์แล้วของเข้าตัวคือเอาง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังคือปอบตัวนี้เนี่ยมันโดนครูบาอาจารย์สาบแช่งเพราะว่ามันเล่นแล้วมันของเข้าตัวก็สาบแช่งให้เป็นปอบเนี่ยนะคะหมอผีที่ไหน ผีตัวนี้มันปราบหมอผีได้หมดค่ะหมอผีบางคนถึงกับคอหักตายบางคนก็กระเจิงด้วยฤทธิ์เดชของมันบางคนพอเริ่มจะเสกน้ำมนต์แค่นั้นแหละปอบตัวนี้มันปรี่เข้ามาเตะขันน้ำมนต์กระจายเที่ยวไล่ทำร้ายหมอผีกระเจิงไปหมดปอบตัวนี้ท่านว่ามันเก่งนักนะคะใครที่ท่องคาถาอะไรโหมันท่องได้หมดรู้จิตคนได้ด้วยนะคะใครคิดอะไรมันก็รู้บางทีนะะี่ยมันปราบหมอผีที่บอกว่าปราบเก่งๆอย่างเงี้ย คือมันปราบหมอผีได้ทั่วเลยที่สุดชาวบ้านก็ได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่กาหลงก็เลยนิมนต์ท่านไปปราบท่านบอกว่าตอนที่เหยียบหัวบันไดบ้านเนี่ยมันก็รู้นะเราก็รู้ด้วยท่านก็เตรียมไว้พร้อมเหมือนกันเพราะว่ารู้กิติศรรัพท์ปอบตัวนี้ดีมันเห็นท่านมันก็ด่าท่านเลยว่าขนาดหัวงอกมันยังไล่กระเจิงมาหมดแล้วนี่เพิ่งจะมาบวชจะไหวเหรอท่านว่าพอถึงที่ท่า น, น, นแหละท่านไม่ทําน้ำมนต์เหมือนคนอื่นหรอกพอเข้าบ้านได้ท่านเตะเจ้าปอบตัวนี้ก่อนเลย นอกจากนั้นก็หยิบไมเรียวเนี่ยลงอาคมมาตีมันไม่ยั้งเรียกว่าไม่ให้มันตั้งตัวได้นะคะพอปอบตัวนี้มันตั้งตัวไม่ได้จริงๆแต่ว่ามันก็ออกมันมันไม่ออกนะมันต้องสู้ต้องสู้กับมันอยู่นานมากมันมันก็ไม่ออกค่ะมันก็เก่ง ที่สุดท่านก็เลยใช้อํานาจเขี่ยวแก้วประการศิษย์ของท่านโดยนําเอาหัวแม่โป้งแตะที่เขี้ยวแล้วลองจับที่หัวของคนไข้เท่านั้นแหละเจ้าเขียวปอบพันปีเนี่ยดิ้นพล่านเลยที่สุดมันก็ทนไม่ไหวก็ออกจากร่างของคนผู้นั้นไปก่อนออกมันยอมบอกชื่ อ, องมันมันบอกว่ามันชื่อเขียวไม่เคยกลัวใครไม่เคยแพ้ใครมาเสียท่าแพ้หลวงปู่กาหลงนี่แหละแต่ว่าพอมันออกแล้วค่ะคุณผู้ฟังหลวงปู่บอกว่า มันไม่ไปไหนไกลหรอกมันเข้าไปสิงที่ต้นกระบอกใหญ่แถวนั้นมีคนโดนผีปอบเขียวนี่หลอกบ่อยครั้งท่านว่าให้เผาต้นกระบอกนั้นซะก็ไม่มีใครกล้ายุ่งจนเดี๋ยวนี้ท่านเองก็ไม่ได้ไปสืบดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะผีปอบบางตัวบางพวกก็เจ้าเล่ค่ะท่านเล่าให้ฟังว่าบางครั้งคนถูกปอบเข้าพวกญาติญาติก็พากันลากตัวเข้ามาในวัดพอถึงหน้าวัดเท่านั้นแหละผีปอบมันก็ออกคนก็หายเป็นปกติ พวกญาติๆก็วางใจว่าหายแล้วก็เอากลับบ้านเจ้าปอบตัวนี้มันก็รออยู่หน้าวัดพอออกจากวัดเท่านั้นแหละค่ะปอบก็เข้าสิงเหมือนเดิมต้องลากกลับมาใหม่หรือหาของเอาไว้ป้องกันเช่นพวกสายสินเสกตะกรุดเสกกันผีให้ติดตัวไว้ปอบจะได้ไม่ต้องมาก่อกวนนะคะคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงก็จะมีอายุสั้นกว่ากาหนดเพราะว่าพลังชีวิตหายที่สาคัญคือผีปอบเนี่ยมันไม่ได้เข้าสิงเฉยๆนะ แต่ว่ามันกินอวัยวะภายในด้วยคนที่โดนปอบเข้าสิงจนตายเวลาตายเนี่ยมันจะเน่าทันทีเพราะว่าในความจริงคนคนนั้นตายมานานแล้วแต่ว่าโดนปอบสิงเพื่อจะกินตับไตไส้พุงค่ะสมัยก่อนต่างจังหวัดมีปอบเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านบอกว่ามันไม่มีวัวมีควายให้ปอบกินผีมันเข้ามาหากินในกรุงเทพหมดคนบ้าบางคนเกิดจากปอบเข้า แต่ก็ไม่มีใครรู้รักษาไม่หายไม่นานก็ตายก็เป็นแบบนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าคนสมัยใหม่ไม่มีความรู้ มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเรื่องประเภทนี้จึงเข้าลักษณะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็หากมีโอกาสหาของดีป้องกันตัวไว้ก็ย่อมดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันตัวไว้เลยนะคะอ้างอิงจากหนังสือเขียวแก้วประกาศอิทธิริษหลวงปู่การหลงค่ะจากคุณกิตติจิตพรหมนะคะซึ่งเป็นทีมงานที่สุด .com ได้เรียบเรียงเอาไว้ให้เราได้นามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันประจาวันนี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะทิ้งท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะคะสําหรับเรื่องราวนี้นะคะคุณผู้ฟังเกิดขึ้นในสมัยเจ้าคุณพระกวีวง์เป็นเจ้าอาวาสวัดบพิษพิมุกโดยอาจารย์สานวนวงสมบัติสิทธิ์คารวาศคนสําคัญสายพระอาจารย์มั่นซึ่งขณะนั้นอุปสมบทเป็นพระภิกษุพร้อมด้วยสมณีนรูปหนึ่งชื่อว่าสมณีเลื่อนเข้ามาขอพักอาศัยเพื่อศึกษาพระธรรมต่อในกรุงเทพค่ะ เจ้าคุณพระกวีวงศ์เจ้าอาวาสในสมัยนั้นก็ได้ให้อาจารย์สำนวนพักที่กุฏิหลังหนึ่งซึ่งกุฏิหลังนี้ต่อมาจะเรียกว่าสมรภูมิรบระหว่างคนกับผีก็ได้ค่ะซึ่งกุฏิหลังนี้เจ้าอาวาสขออภัยค่ะเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลได้เคยพักอาศัยอยู่ก่อนที่จะย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดกัลายาณมิตรจังหวัดทนบุรีในสมัยนั้นนะคะกุฏิหลังนี้เป็นกุฏิไม้สักหลังใหญ่ เสากุฏิเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ไม่มีผู้พักอาศัยเสาตะเคียนต้นนี้อยู่ทางทิศใต้ตกน้ำมันอย่างแรงเมื่ออาจารย์สานวนเห็นดังนั้นจึงได้บอกกล่าวกุมภะเทวาค่ะลุกขะเทวาที่สถิตยอยู่แล้วก็รักษาอยู่หน้าที่นั้นถึงการมาบําเพ็ญธรรมสร้างบารมีของท่านมีกุฏิหลังเล็กอีกหนึ่งหลังปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะทีนี้คุณนายฟักแลวก็คุณนายลูกจันร์เล่าให้อาจารย์สานวนฟังว่า เดิมทีกุฏิทั้งสองหลังเนี่ยเป็นบ้านของบิดามารดาคุณนายลูกจันทรผีดุอย่างร้ายกาจเลยแหละแสดงตัวให้คนในบ้านได้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนข่าคนในครอบครบัวครอบครัวนี้ตายเกือบหมดก็คงเหลือเพียงแค่คุณนายลูกจันทกับคุณนายหอมจันทแล้วก็คุณคุณหอมจันเนี่ยก็ถูกเล่นงานอย่างหนักนะคะจนเพื่อนบ้านแนะนําว่ารื้อบ้านไปถวายวัดเลยก่อนจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็เลยรื้อบ้านมาถวายสร้างเป็นกุฏิให้กับวัดบอ่อผิษได้2หลังนะคะเมื่อสร้างเสร็จใหม่ และดูสวยงามค่ะทางวัดก็เลยจัดให้เจ้าคุณพระวินัยกิจโกศนพร้อมด้วยสิทธิ์เข้าไปพักอาศัยในกุฏิหลังใหญ่ส่วนหลังเล็กนี่ก็ให้พระภิกษุสา ม, มเณรแล้วก็ลูกศิษย์อาศัยอยู่ในวันที่เจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลแล้วก็ลูกศิษย์เข้าไปอยู่ในกุฏิปลูกใหม่คุณนายลูกจันทร์ก็ได้นิมนต์พระคุณอ่าพระเนะี่มีเจ้าคุณกวีวงเป็นต้นรวม9้ารูปมาสวดมนต์ฉันเช้าเพื่อเป็นการฉลองกุฏิแล้วก็ทําบุญไปในตัว คุณนายทั้งสองก็ผลัดกันเล่าให้ฟังว่าท่านเจ้าคุณแล้วก็คณะดีใจที่ได้กุฏิหลังใหม่สวยงามหน้าตาอิ่มเ อ, อิบไปตามๆกันในวันแรกหลังการทําบุญฉลองกุฏิก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะท่านเจ้าคุณแล้วก็คณะลูกศิษย์ก็อยู่กันอย่างปกติสุขได้3วันพอเริ่มวันที่สี่ผีเล่นงานตอนนี้เนี่ยคุณนายทั้งสองเล่าอย่างเอาจริงเอาจังหบอกย่างข้าวันที่4ประมาณสองทุ่มเศษท่านเจ้าคุณกําลังดูหนังสือในห้องโถงกุฏิหลังใหญ่ แล้วก็ประกอบกับนะคะประตูกุฏิเนี่ยถูกเปิดไว้ห้องนอนที่ระเบียงก็มีสัมมเนนอยู่หนึ่งรูปอ่านหนังสืออยู่กุฏิหลังเล็กมีพระภิกษุอยู่สองรูปก็กําลังดูหนังสืออยู่เช่นกันอยู่ๆค่ะประตูที่เป็นทางเข้าตรงบันไดขึ้นกุฏิถูกผลักออกอย่างแรงประหนึ่งว่าจะพังเมื่อประตูเปิดออกก็มีชายแก่คนนึงหัวขาวผมยาวประหลังตัวซีดยาวก้าวเข้ามาหน้าตาทะมึงถึงเด็กลูกสิ์ต่างเห็นเต็มตากลัวตัวสั่นร้องเสียงหลงว่าผี ในขณะที่พระภิกษุสอรูปที่อยู่กุฏิหลังเล็กแล้วก็สัมมาเนนที่อยู่ห้องระเบียงเนี่ยวิ่งออกมาดูชายแก่ผู้นั้นก็กระโดดไปที่ระเบียงหลังคโครดังคโครมเลยนะคะแล้วก็กระโดดเข้าประตูกุฏิหลังใหญ่สวน ก, นกันกับท่านเจ้าคุณที่ลุกเข้ามาดูทุกคนก็เลยมารวมกันที่กุฏิหลังใหญ่จากการเล่าถึงเหตุการณ์ของลูกศิษย์ ให้ท่านเจ้าคุณฟังก็พากันตรวจดูในห้องต่างๆก็ไม่พบอะไรก็เลยลงความเห็นกันว่าเป็นผีแน่ๆแต่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนเมื่อสรุปเหตุการณ์ว่าเป็นผีค่ะท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลสั่งพระเนรและลูกศิษย์ไปปิดประตูหน้าต่างทุกห้องทุกบานแล้วก็ให้รวมกันอยู่ในห้องโถงของกุฏิใหญ่แล้วท่านเจ้าคุณก็นําพระแล้วก็สั ม, มนเนรสวดม น, นต์แผกสวดโกศลไปให้ผีซึ่งในขณะที่สวดอยู่ประตูห้องนอนกุฏิหลังใหญ่ก็ถูกเปิดออกอย่างแรงค่ะ มีเสียงคนเดินกระแทกส้นเท้าไปที่ประตูใหญ่ของกุฏิประตูถูกเปิดออกเสียงดังปังใหญ่เลยนะคะแทบจะพังเจ้าคุณแล้วก็พระอ่าเนนก็ตกลงกันสวดขับไล่โดยตั้งใจว่าเมื่อทําให้ดีๆแล้วไม่รับก็ต้องขับไล่อยู่ด้วยกันไม่ได้จะได้ไม่ต้องมาก่อความวุ่นวายอีกตรงข้ามค่ะคุณผู้ฟังชายแก่หัวขาวผมยาวกลับมายืนดูพระสวดอยู่ที่ประตูใหญ่หน้าตากินเลือดกินเนื้อเลยนะ ปิดประตูเสียงดังปังแล้วก็เดินหายวับเข้าไปในห้องนอนของกุฏิอย่างไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นในที่สุดค่ะเจ้าคุณกับสิทธิ์ลูกสิทธิวัดเนี่ยก็เลยตกลงกันนะคะว่าจะไม่ขออยู่ที่กุฏิหลังนี้อีกต่อไปก็เลยช่วยกันขนอัฐบริการที่จําเป็นออกจากกุฏิไปอยู่ที่ศาราการประเรียนในกลางดึกคืนนั้นเองค่ะรุ่งขึ้นก็ ขนของที่เหลือย้ายไปอยู่กุฏิอื่นแต่ว่าต่อมาท่านเจ้าขุณพระวินัยกิจโกศลก็เลยย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดกาญจนาภิตรทนบุรีดังกล่าวนั่นเองนะคะท่านอาจารย์สำนวนก็เลยเข้าใจถึงเหตุว่าเออกุฏิหลังใหญ่สวยงามนะแต่ว่าทําไมถึงไม่มีใครอยู่อาศัยและท่านเจ้าอาวาสก็มอบกุฏินี้ให้ท่านอยู่อย่างง่ายดายท่านอาจารย์สำนวนก็ได้ผจนกับผีตัว น, นี้เป็นระยะเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวบีขอเล่าย่อๆเนาะ แต่ด้วยจิตที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนจากครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นแล้วก็การปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดท่านอาจารย์สํานวนแล้วก็สัมเนนเลื่อนก็เลยอยู่รอดปลอดภัยมาได้โดยตลอดโดยสัมเนนเลื่อนเนี่ยรับนิสัยกรรมฐานนะคะมาจากครูบาโฮซึ่งเป็นลูกศิษย์สมเด็จรุนสมเด็จรุณเนี่ยเป็นพระนักปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสมีชื่อเสียงโด่งดงังมาตั้งแต่เป็นสัมมเนนบางท่านก็เรียกสมเด็จรุนนะคะ จนกระทั่งมาคืนหนึ่งเป็นวันแตกหักกับอมนุษย์ตนนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2469ท่านพระครูพิพัฒสุตตะคุณค่ะจะเอาวาดวัดลานขาบางประมาสุพรรณบุรีและคณะสิทธ์มาซื้อเครื่องกระถินแล้วก็ของจำเป็นต่างๆท่านได้มาพักอยู่ที่กุฏิหลังนี้ด้วย ท่านอาจารย์สำนวนเล่านะคะว่าประมาณสี่ทุ่มกว่าของคืนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงท่านพระครูครางฮือเฮือเสียงเตียงนอนก็ดังตึงตังตึงตังท่านก็เลยรีบวางหนังสือที่กําลังอ่านอยู่พร้อมเรียกชื่อสัมเนธเลื่อนทั้งสองก็พรวดไปที่ประตูห้องพระครูค่ะพอดีกับที่ชายแก่ผมยาวผู้นั้นกระโดดพรวดพลาดออกมาจากประตูกระโดดลงระเบียงดังโครมแล้ววิ่งทะลุประตูออกไปเสมือนประหนึ่งว่าไม่มีประตูนี่ ทุกคนก็เลยวิ่งเข้าไปดูท่านพระครูพระครูตกใจกลัวจนตาค้างไม่ได้สติพูดไม่ได้ในสอนกับเจ๊กบอเนี่ยต้องกดท้องนวดเส้นอยู่นานจึงได้สติท่านแสดงอาการหวาดกลัวอย่างหนักค่ะและบอกให้ช่วยพยุงออกมายังโถงด้านนอกอาจารย์สำนวนใช้มุมหนึ่งที่เป็นที่นอนนะคะแล้วก็ท่านเล่าให้ฟังว่าขณะกาลังเค ล, เคลิ้มอยู่เนี่ยได้ยินเสียงผิดปกติที่ช่องเพดาน มองขึ้นไปก็เห็นหัวชายแก่ผมยาวผิวซีดเอาเท้าเกาะช่องเพดานไว้แล้วห้อยหัวลงมาหน้าตาน่ากลัวมากยื่นมือมาจะบีบคอก็เลยขอความร้องข อ, ขอความช่วยเหลือแต่ว่าร้องไม่ออกจะลุกขึ้นวิ่งหนีก็ขยับตัวไม่ได้ในความรู้สึกได้ยินเสียงอาจารย์สำนวนเรียกสัมเณนเลื่อนคำเดียวก็หมดสติไปไม่รู้เรื่องอะไรอีกนะคะท่านกล่าวว่ากุฏิหลังนี้ผีดุมากค่ะคืนนี้เราจะนอนกันอย่างไร ท่านอาจารย์สำนวนก็เลยเล่าเรื่องผีที่สิงอยู่ในกุฏินี้ค่าเจ้าของบ้านตายเกือบหมดนะคะเหลือเพียงแค่สองแม่ลูกจึงรื้อมาปลูกเป็นกุฏิถวายวัด เมื่อมาอยู่วัดก็เป็นมิจฉาทิฐิไม่ยอมรับส่วนบุญส่วนกุศลที่อุทิศให้เล่นงานพระเนนจนอยู่ไม่ได้ไล่ก็ไม่ไปหาช่องทางทาร้ายทุกครั้งที่มีโอกาสและไม่ได้มีแค่ตนเดียวแต่มีผู้หญิงอีกตนหนึ่งคอยสนับสนุนร่วมกันเล่นงานผู้ที่มาพักที่กุฏินี้หมดหนทางที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปแล้วอาจารย์สานวนและสามเณ น, นเลื่อนจะทาการขับไล่ให้นะคะท่านอาจารย์สานวนเคยได้รับตะปูเสกจากอาจารย์สิงห์ ามาสิบหกดอกสำหรับป้องกันตัวก็เลยทําพิธีตอกตะปูสะกดที่เสาตกน้ำมันนั้นเลยและประตูทางเข้าจำนวนหกดอกเสร็จแล้วท่านบอกแก่คณะว่าปลอดภัยแล้วละ่ะขอให้ทุกคนนอนหลับกันให้สบายทีนี้ต่อมาเวลาตีสคุณผู้ฟังได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ด, ดังมาจากฐานพระก็คือห้องซ่วมได้ความว่าพระเนเ น, เนี่ยไปถ่ายอุจจาระที่ฐาน ถูกชายแก่ผมขาวเล่นงานตกใจกลัวจึงร้องขอความช่วยเหลือคือมันเฮี้ยนจริงๆนะจะขี้ได้ยังหลอกกันอีกท่านอาจารย์สำนวนจึงนึกได้ว่าเออจ้าสองตอนนี้มันคงไปสิงอยู่ที่ฐานพระเพราะว่าตอนตอกตะปูสะกดอธิษฐานเพียงแต่ว่าให้หลีกไปมันก็หลีกไปจริงๆแต่ไปสิงอยู่ที่อื่นค่ะท่านก็เลยเอาตะปูอีก3ดอกเนี่ยไปตอกที่ฐานพระและอธิฐานให้ไปอยู่นอกเขตวัดบพิตรพิมุข ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีวิแววของอามนุษย์2ตนนี้อีกเลยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวค่ะที่บีนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะหากว่าเคยได้ยินได้ฟังมาจากทางช n n นลไหนเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยด้วยที่เรื่องราวซ้ำกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ